เพราะจิิงเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับหลายคนแม้กระทั่งตัวผมเองที่ได้ที่ได้ที่ได้พบคนผิดฟังผิดจำผิดอะไรมาเนี่ยไม่ใช่ปีสองปีอ่ะสิบปี ย, ปยี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยแล้วกว่าจะมาแกะกว่าจะมาขัดมาเกลากว่าจะมารู้ว่าเออพระคำพีนี่นะสมควรจำสมควรอ่านนี่มันมันนานมากเลย แต่ในส่วนนั้นก็ถ้าเหตุผลถ้าเป็นสมัยนี้จริงๆก็คือบรรณกรก็ติงกับผู้ที่เป็นอาจารย์สอนคนหนึ่งว่าผู้ที่สอนเราไม่ควรดึงบุคคลเนี่ยเข้ามาหาผู้สอนเราควรทำใจว่าผู้สอนทั้งหลายควรทำใจว่าทำยังไงเขาจะได้รู้ความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ทำยังไงเขาจะได้เห็นความเป็นธรรมดีของพระธรรมอย่างไรเขาจะได้เห็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ก็คือแนะนำให้เขารู้จักพระรัตนตรยัยให้เขาเคารพบูชาเคารพสการะพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูแนะนำว่ายังไงคำสอนว่ายังไงหมู่พระริยะทั้งหลายท่านปฏิบัติกันยังไงเราก็ควรจะไปในจุดนั้นเราก็ควรแนะนำบุคคลให้เขาไปถึงจุดนั้นแต่ไม่ใช่ว่า เราชอบยังไงเราเห็นยังไงเราเข้าใจยังไงเนี่ยนะก็ดึงมาหาเราไม่ควรเป็นอย่างนั้นแล้วก็นึกถึงไปอินเดียนะตัวอย่างไปอินเดียชัน้นนี้ที่มีมีพวกนักเก็บใบโพเนี่ยนะใกล้ๆใบโพ ร, ร่วงเขาอยู่ใกล้เขาจะเก็บให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นไอเขาเก็บให้เนี่ยเขาก็หวังการค้าของเขาต่อไปอนะในชั้นแรกเราก็บอกเออแขก ค, คนนี้ทําไมมันใจดีไหก็แปลกใจยอยู่เหมือนกันทําไมมาเก็บใบโพให้เราเรื่อยเลยนะ ตกหน่อยก็เก็บยื่นให้ตกก็เก็บยื่นให้แล้วก็ว่าเขามีศรัทธาพออีกพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเขามีร้านอยู่ใกล้ๆนี่นะเขามีร้านมันแวะไปหาร้านเขาหน่อยนะคือเขาขายพวกพระเครื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเขาบอกแวะไปร้านเ้าหน่อยนะเขาบอกว่ายังไม่ไปอะ่ะเรายังยังไม่ไปว่ากาลังไหว้ผ้าอยู่อีกพักหนึ่งก็มาอีกแล้วอีกพักหนึ่งก็มาอีกล้ แต่มาเขามีทีเด็ดเหมือนกันบอกว่าไม่มีสตังเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนะตั้ง น, นั้นมาก็เลิกเลยนะรู้งี้บอกตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> แล้วเราไม่มีสตังเลยนะเขาก็เลิกมา <c oughs> นี่ก็เหมือนกันว่าผู้ที่ไปที่ที่เจดีทั้งหลายถ้าว่าโดยวัตถุประสงค์ให้เข้าไปทําไมเข้าไปเพื่อต้องกราบต้องการกราบเจดีเนี่ยนะต้องกราบละลึกถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัตสรู้ ทีนี้เราก็ย้อนมาใหม่ว่าถ้าย้อนมาที่ที่กาลังพูดถึงนี้ว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาพระพุทธ ศ, ศาสนาเขาต้องการศึกษาพระพุทธศาสนานะเนขาไม่ได้ต้องการศึกษาเรื่องของใครที่ที่ไม่ใช่คาสอนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสหรือมีบุญบ้างพูดแล้วคนอื่นเขาเชื่อถือก็ไม่ควรดึงบุคคลเหล่านั้นนะมาหาตนเองเนี่ยนะนะก็ควรที่จะ แนะนำให้เขารู้จักพระรัตนตรยัยรู้จักพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้นะคําสอนของพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นพระธรรมคำสอนเนี่ยกล่าวไว้เช่นนั้นเช่นนั้นแต่ก็ไม่ควรดึงแม่ให้เขามาเอาตัวเองเป็นสารณะพระสารีบุตรท่านยังไม่ทําเลยพระมหากัจจยนะเป็นต้นท่านยังไม่ทําเลยท่านบอกให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะนะเนีน่ยนะแต่ทีนี้ว่าในยุคนี้กลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเห็นไหมถ้าคําของอาจารย์ก็กลับคําใน คำสอนก็ต้องแยกกันอาจารย์ว่าอย่างนี้นะคำสอนว่าอย่างนี้เนะี่ยนะก็ยอมรับนานๆเข้าก็ไม่เอาแล้วคาสอนก็เอาความของของอาจารย์เนี่ยนะที่ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะลูกศิษย์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะเขาไม่รู้อะไรแต่ผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยนะก็ควรจะมีคุณสมบัติของความเป็นอาจารย์ว่ า, เ, าเราเราสอนเขาทําไมเราพูดไปทําไมเนะี่นยนะสามัญจะสํานึกอันนี้ตั้งกเรกดีเราควรจะตั้งว่า เขาน่าจะรู้จักคุณของพระรัตนตรยัยเข า, ารู้จักคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าพระรัตนตรัยเป็นยังไงแล้วก็อาจารย์เองก็น่าจะทบทวนตัวเองบ่อยๆว่ารู้จักตัวเองนะว่าตัวเองมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแค่ไหน mm. น, นะแล้วที่สําคัญก็ให้เจริญกรร ม, มสกตาเอาไว้มากๆด้วย น, นะแล้วก็ไปดูตัวอย่างของผู้ที่ที่ที่ทำงานเผยแพร่ไว้ด้วยว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านทําไว้กันยังไง น, นะ แล้วก็ที่ไม่ลืมหนึ่งนะก็ไปศึกษาเปรตวัตถุกับวิมานวัตถุเอาไว้บ้างเนี่ยนะนะว่าไม่ใช่โอ้โหขึ้นต้นด้วยวัต ถ, ถุที่หนึ่งเปรตวัตถุนะแล้วเอยชื่อเราเป็นชื่อเรื่องแรกเลยนะหัวขอ้อไม่ดีนะก็วังระวังหน่อยเนี่ยนะก็ยังไงยังไงก็อย่าลืมบุญบากบ้างนะนะ โอ้ยวัตตะสงสารนี่อย่าไปเชื่ออะไรให้มากมายนะสำหรับผู้ที่เห็นไม่เห็นพระอริยสัตว์เนี่ยนะไม่เห็นทุกข์สมุทัยนี่โรดมรักเพราะใครจะไปรู้ว่าคนที่หัวเราะ อ, อยู่คือคนที่ร้องให้เวทนามันยังเปลี่ยนได้ใช่ไหมก็ปฏิสนธิจิตจะไปเปลี่ยนยากอะไรแป๊บเดียวเองอแล้วก็วัตตะนี่มันอีกยาวไกลนักแลพระ อ, องตรัสว่าสังสารวัฏนี่เรียกว่าการเดินทางไกล mm hmm. ที่ไม่รู้ว่าเบื้องต้นนี่มาตั้งแต่เมื่อไร แล้วมันจะจบที่ไหนสาหรับผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจจะธรรมเพราะฉะนั้นเราในฐานะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจจะธรรมคำสอนก็ประกาศอริยสัจมูพระสง์ทั้งหลายท่านก็เห็นรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทีนี้การเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นท่านก็บอกว่าคนเอาอ่านข่าวสารพระราชาเท่านั้นเอง นะของตมาไม่ได้มีของตัวเองอยู่ในนี้เลยนะเว้นไว้แต่ตรงไหนที่เป็นอัตโนมติเนี่ยนะแต่ว่าก็มาอ่านตามเนี่ยนะก็พยายามจะทํำยังไงจะได้เข้าใจไอ้ส่วนที่จำเนี่ยคือให้ไปจําพุทธพจน์ไม่ใช่จําคําพูดที่ทตมาพูดไปเนะี่ยนะก็ทําใจไว้อย่างนั้นนะแต่ทีนี้ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นเกิดขึ้นถ้าเราพูดอะไรแล้วมุขนื่นเขาเชื่อเชื่อแล้วเอาไปคิดตามหมดเลย ที่เราพูดถ้าเป็นคำสอนก็ดีไปถ้าไม่เป็นคำสอนนี่อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยะคนอื่นเขาก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นปุถุชนอ่ะนะแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเขาจะแงนหน้าดูาศาสดาไปเรื่อยเนี่ยนะแงนหน้าดูคนนั้นทีแงนหน้าดูคนนี้ทีเนีย่ยนะคนนั้นว่ายังไงคนนี้เขาจะพูดว่ายังไง ก, ก็ติดอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ผู้ที่มีโอกาสที่เรียกว่าเผยแพร่าคาสอนนี่ให ให้ส้ำเนียกเอาไว้ให้ดีนะผู้ที่วันนั้นนะอาจารย์คนนั้นก็กรับฟังด้วยดีก็บอกเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะว่าเราควรแนะนำให้คนไปถึงพระรัตนตรยัย <c> เ <oughs> พราะอะไรเพราะว่าพระรัตนตรัยเนี่ยจริงๆแล้วความเป็นศาสดาฐานะศาสดานี้พระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดผู้หนึ่งเลยพระอ ง, ง, งคอนะ์แต่งตั้งให้คำสอนเนี่ยนะแต่งตั้งให้คาสอนจริงๆ นี่ต่อไปอีกนะยังไม่จบดีบุคคลที่ทรงจำนะก็แบ่งออกเป็นสองพวกอีกคือพวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจําไว้พวกหนึ่งไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจําไว้บุคคลที่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจําไว้เพิ่งถูกติเตียมด้วยเหตุนั้นนั้นบุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจําไว้เพิ่งได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุ น, า น, านั้นๆ แต่คนจำก็แบ่งออกเป็นสองใช่จำแล้วเอาไปคิดต่อกะจำแล้วไม่เอาไปคิดอะไรเลยก็คนที่เอาไปคิดต่อนี่ควรยกย่องพวกที่ไม่เอาไปพิจารณาไปใคร่ครวญต่อไปก็ควรถูกเติเตียนเนี่ยนะจำได้แล้วไม่เอาไปคิดอย่างี้นะบุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไว้ก็มีอยู่สองพวกนะพวกที่เอาไปใคร่ครวเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกคือพวกหนึ่งรู้อัตรู้ทำแล้วปฏิบัติรำสมควรแกท่ทำ อีพวกหนึ่งหารู้อรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่คนหนึ่งพิจารณาแล้วไม่ได้ไปทํากิจในอริยสัจอะไรเลยแต่อีกคนหนึ่งไปพิจารณาแล้วก็เจริญหรือบําเพ็ญกิจในอริยสัจกิจของอที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยนะคือกิจของมรมรคสัจมรรคสัจพอนับตั้งแต่ศีลเป็นต้นไปที่เริ่มเจริญตั้งแต่กุศลศีลเป็นต้นไปเพื่อให้สมควรแก่อริยมรรคใช่ไหมให้สมควรแก่อริยมรรคที่จะได้รู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดอริยสัจ ทีนี้ผู้ที่รู้อัดทำแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำก็มีอีกสองพวกนะพวกถึงพูดถึงกลุ่มที่บรรลุแล้วนะแบ่งออกเป็นสองพวกคือผู้ที่รู้อัดทำแล้วปฏิบัติธรรมสมควรเออพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอีกพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น บุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น น, นอันนั้นบรรลุแต่ไม่สอนใครก็ก็หน้าติเตียนด้วยเหตุนั้นนั้นเพราะฉะนั้นนี่ถ้ากล่าวนะอย่างพระมหากปินะเนี่ยนะท่านท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่สอนเลยท่านเข้าพระสมมาบัติของท่านลูกศิษย์ก็อยู่ไปอะ่ะลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์ก็คือพวกอมาตะที่บวชตามมาด้วยนะยังไม่ทันบรรลุแต่ว่าอาจารย์นี่ พระหมหากรินะเนี่ยบรรลุแล้วท่านก็ไม่สอนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสอนเธอสัตบุรุษเนี่ยนะพระองค์ก็แนะนําให้พระกปพินะเนี่ยสอนพระกปินะก็าเก่งมากนะสอนข้างเดียวบรรลุหมดเลย <c oughs> ไม่น่าพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ท่านช่วยสอนนะนะเพราะว่าท่านเก่งจริงๆเขาสอนข้างเดียวลูกศิษย์บรรลุเลยอะ่ะอันนั้นผู้ที่แม้กระทั่งภาษาลิบท์เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านขวนขวายน้อยที่จะสอน พระพุทธเจ้าก็ห้ามมายาแล้สารีบทอย่าคิดอย่างนั้นจงยับยั้งก่อนจงรอก่อนอย่าคิดอย่างนั้นเนี่ยนะคือคือผู้ที่ไม่ไม่ทํากิจอนุเคราะห์บุคคลอื่นก็ถ้าโดยส่วนตัวท่านเนี่ยไม่มีข้อหน้าตําหนินีนะนะแต่ว่าเหตุผลที่ไม่ช่วยคนอื่นเนี่ยตรงนั้นแหละก็เหมือนดูเหมือนกับว่าเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ตําหนิว่าไปตําหนิดูหมิ่นท่านเหล่านั้ น, นจะชมในความปฏิบัติดีของท่านในส่วนตัว เนี่ยนะแต่ว่าการุณาของท่านเหล่านั้นที่มีต่อบุคคลอื่นเนี่ยน้อยเนี่ยนะก็ก็จะคล้ายๆว่าจะถ้าจะเพิ่มก็พระ อ, องค์ก็จะเพิ่มตรงนี้แต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยที่ไม่สอนคนอื่นอาจจะด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยนะคือคือไ อ, อการสอนบุคคลอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นพูดแล้วจะฟังหมดนะไม่ใช่เลยเนี่ยนะเท่าที่ ท, ที่ที่ผ่านมาเนี่ยรู้ชัดไว้ถึงเรารู้เรื่องนั้นดีอ่ะนะเขาอยากฟังจากคนอื่นมากกว่า ที่จะฟังจากเราอันนี้บางคนนี่ก็ต้องแยกเย้ให้ได้เพราะว่าหนึ่งเราอยากให้อยากแนะนําเขาอย่างเดียวไม่พอเด็ดขาดคำคำเดียวกันเนี่ยนะต้องพูดภาษาชาวบ้านเลยบอกว่าต้องรู้ว่าหลุดจากปากใครเนี่ยนะก็เหมือนกันเอาถามว่าสูตรเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสกับสัมมเณยอายุเจ็ดขวบแสดงในสูตรเดียวกันนะแล้วทั้งคู่พระพุทธเจ้าก็เป็นผ้าหาันสัมมเณยเ็ดขวบก็เป็นพระ้าหันถามว่าเราอยากฟังจากใคร แล้วก็อยากฟังจากพระพุทธเจ้านะ ท, ทั้งทั้งที่สูตรเดียวกันอะไรเดียวกันบทและอัฏฐพยัญชนะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นทั่วทั่วไปแล้วท่านบอกว่าในอนุตริยะใช่ไหมอนุตริยะที่เรียกว่าสวัณนานุตริยะเนี่ยนะคำว่าฟังก็คือฟังจากาศาสดาใช่ไหมหรือสะพรมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่ที่เคารพมันผู้ที่พูดเนี่ยนะถ้าเขาไม่ อย่างน้อยที่สุดก็ควรพูดให้ผู้ที่เขาเคารพฟัง เ, เคารพธรร ม, มะพอสมควรถ้าเราไปพูดให้ผู้ที่เขาไม่เคารพธรร ม, มะนะดีไม่ดีเสียหายเลยเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆคือปริสันอยู่เห็นไหมรู้ปริสันอยู่ว่าบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องควรนิ่งหรือควรพูดเนี่ยนะทีนี้ก็เราน่าจะรู้จักตัวเองนะเช่นผู้พูดพู ด, พดแล้วศรัทธาศีลสุตะจาระคาปัญญาเพิ่มขึ้นไหมอย่างหนึ่ง และอย่างที่สองนะผู้ฟังเนี่ยเขาจะเพิ่มด้วยกุศลธรรมเหล่านั้นไหมถ้าเราพูดแล้วนะศรัท ธ, ธาเราเจะลดลงศีลของเราถ้าจะไม่ดีขึ้นสุตะก็อ่อนลงจ่าค่าก็น้อยไปปัญญาก็ไม่ค่อยมีไอ้พูดแล้วคนฟังก็เครียดขึ้นเครียดขึ้นนี่ก็ก็ควรจะพิจารณาตัวเองเนี่ยนะเขาจะบอกว่าลาออกก็น่าเกลียดนะคำนวนเพราะอะไรบอกพิจารณาตัวเองอย่างนั้น อ, อย่างนี้นะเรียกว่า บุคคลปรโรปรันยูเนี่ยนะบุคล ะ, ปะลปโรปรัญญูรู้จักความยิ่งความหย่อนของบุคคลว่ า, าขีความความสามารถของคนนี้ไม่ไ ม, ไม่เท่ากันเนี่ยนะต้นไม้ไม่ใช่ว่าจะเอามาทําเสาได้ทุกต้นใช่ไหมบางต้นเนี่ยลาต้นมันดีมันใหญ่แต่ว่ามันพันต้นกล้วยอย่างเงี้ยนะมันก็ก็สมควรกับต้นกล้วยมันจะเอามาทําไม้สักไม่ได้เนี่ยนะคนในโลกนี้ก็ลักษณะเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักแยกแยะบุคคลแยกแยะอะไรเลยนะคนพูดนั่นแหละ จะเสียใจในวันหลังบอกแหมถ้าอยู่นิ่งๆก็ดีนะแต่บางคนเนี่ยนะถ้าบางการท่านนิ่งก็เสียใจเหมือนกันว่าเราน่าจะพูดอะไรไปบ้างนะเพราะนัะ่น ก, ก็บอกว่าปัญญานะเอาเอาแบบนางเรื่องมาคาถาธรรมบทเรื่องนางกุลทนเกสีที่ไปผลักโจรตกเหวเนี่ยนะในตรงนั้นอะคาถาท่านก็ย้ําบอกว่าปัญญานี่เขาไว้ให้พิจารณาเขาไม่ได้ไว้ให้ต้มยําทําแกงอะไรหรอกประมาณ คือไม่ได้เอาววาให้แกงนะปัญญาเขาว่าให้พิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ที่พิจารณาแยกเยะนะอันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้แล้วก็เชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรเป็นอย่างยิ่งทั้งเจ็ดข้อนี้นะฮะภาษาไทยบอกผู้รู้ <c oughs> ฟังดูก็เขาเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเรามาดูภาษาบาลีนะลงททาได้ยูหมดเลยเนี่ยอันนี้น่าน่าคิดว่านี่เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นเลยเจมพอ หัวข้อก็บอกแล้วว่าสิ่งเหล่านี้แทงตลอดได้ยากเ<ม>นี่ยนเขาเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากเพราะอะไรเพราะโดยทั่วๆไปเนี่ยนะจะมีอคติใช่ตัวเองไม่รู้ก็สำคัญว่ารู้หรือบางคนก็รู้แต่ว่าก็ไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยนะเพราะถ้าว่าไปนะสิ่งเหล่านี้แทงตลอดยากแปลว่าเข้าใจยาก<บ>นะภาคเช้ า, าก็สมควรกเวลาน ะ, อะตอนบ่ายพวกนันใหม่นะครับ